เสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องผีและเทวดามีจริงจากผลงานเขียนของอาจา ร, รย์พรรัตนาสุวรรณหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงนี้อาจา ร, รย์พรรัตนาสุวรรณได้ศึกษาและค้นความจากทัศน์ไรพิโดกัตถกาถาแล้วเขียนขึ้นในเชิงวิชาการอ้างอิงหลักฐานจากทัศน์ไรพิโดกัตถกาถา โดยมีวัตถุประสงค์จะพิสูจน์ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าโอปปฏติกามีจริงทั้งนี้เพื่อให้คนทั่วไปเชื่อเรื่องสังสารวัตรเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังที่อาจารย์พรได้กล่าวไว้ในคำนำในการพิมพ์ครั้งแรกตอนหนึ่งว่าหนังสือเล่มนี้ ครั้งแรกให้ชื่อว่านิทศการทางจิตเพราะตั้งใจจะให้เป็นหนังสือแนะนำในการเข้าชมนิทศการทางจิตซึ่งจะจัดให้มีขึ้นที่สถานฝึกสมาธิของแผนกธรรมวิจัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยโดยมีวัตถุประสงค์จะพิสูจน์ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าโอปะปะติกะมีจริงหรือในหนึ่งคือพิสูจน์แะเห็นว่า พีสางเทวดามีจริงการพิสูจน์ทำไปตามหลักวิชาที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกทั้งนี้เพื่อหวังผลในทางศีลธรรมคือต้องการจะให้คนเชื่อเรื่องสังสารวัตรเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ต้องการจะให้คนมาติดในเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี หวังความช่วยเหลือจากสิ่งเหล่านี้ด้วยการขอความช่วยเหลือต่างๆหรือทำการเส้นสวงบูชาสังเวอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่เห็นกันอยู่ทั่วไปและไม่ได้ทำการพิสูจน์เรื่องอภิิญาต่างๆตามความเชื่อถือหรือตามคำบอกเล่าของคนบางประเภทเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าผีสางเทวดา ถึงแม้จะมีจริงก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐถ้าประเทศไหนคนส่วนมากสนใจหวังพึ่งกันแต่เรื่องเหล่านี้ประเทศนั้นก็จะเกิดความอ่อนแอทั้งในทางเศรษฐกิจและทางอื่นๆอย่างน่าสังเวชและเป็นการผิดความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ สังเกตดูเห็นมีการส่งเจ้าเข้าผีกันอย่างแพร่หลายน่าเป็นห่วงในเรื่องที่ประชาชนจะถูกชักลวงไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดความงม ง, งายต่างๆผู้ที่ไม่รู้ในทางหลักวิชาจะตกเป็นเหยื่อของความงม ง, ง, งายได้ง่ายมากและผลสะท้อนในทางไม่ดีหลายอย่างก็จะติดตามมาด้วย ข้าพเจ้ามีความหวังอยู่ว่าถ้าได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาจริงๆพร้อมทั้งแยกแยะให้ประชาชนได้แลเห็นว่าความผิดความถูกในเรื่องนี้มีอยู่อย่างไรก็จะเป็นการป้องกันและปัดเป่าความง ม, มงายในเรื่องนี้ให้เบาบางลงไปได้อันที่จริง การที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผีสางเทวดามีจริงเพื่อหวังผลในทางศิลธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีเข้าทรงก็ได้เพราะวิธีที่ดีกว่านั้นทางพระพุทธศาสนามีแต่เนื่องจากวิธีที่กล่าวนี้คนที่มีการศึกษาน้อยโดยเฉพาะ ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนายากที่จะเข้าใจวิธีการที่สุดตามหลักวิชาได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาวิธีการของการเข้าทรงมาใช้ด้วยทั้งทั้งที่วิธีการอันนี้ทางพระพุทธศาสนาถือเป็นของต่ําคือถือเป็นบิรดาฉานวิชาด้วยวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าจึงให้ชื่อหนังสือเล่มนี้ในครั้งแรกว่านิทัศการทางจิตแต่ครั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ให้ชื่อว่าผีและเทวดามีจริงทั้งนี้ก็เพราะการแสดงนิทัศการทางจิตตามความตั้งใจเดิมนั้นไม่อาจจะจัดให้มีขึ้นได้เร็วตามที่ได้คาดหมายไว้เนื่องจากการซ้อมเกิดอุปสรรคหลายอย่าง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่คือเขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักวิชาในเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่เสียตอนหนึ่งก่อนเมื่อการตราเตรียมเกี่ยวกับการแสดงนิทรศการพร้อมเพรียงเมื่อใดจึงค่อยประกาศให้ประชาชนทราบและเมื่อถึงตอนนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าชมก็จะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้น และปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงไม่ต้องมาเสียเวลาตอบปัญหาที่ไม่จำเป็นพรรัตนาสุวรรณหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยห้าคำชี้แจงเนื้อเรื่องผีสางเทวดามีจริงหรือไม่ในสมัยก่อนถ้ามีใครถามปัญหานี้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะตอบว่า ตามตำรากล่าวว่ามีแต่จะมีจริงหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบเพราะยางที่สูจนไม่ได้แต่ถ้าในสมัยปัจจุบันมีใครถามข้าพเจ้าเช่นนี้ข้าพเจ้าก็จะมองดูหน้าคนถามและพิจารณาดูเสก่อนว่าเขาควรจะรู้เรื่องนี้หรือไม่เขามีพื้นความรู้พอที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ถูกต้อง เหมือนกับที่ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่หรือเปล่าในเมื่อข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังถ้าเห็นว่าเขายังไม่ควรจะรู้เรื่องนี้เพราะเห็นว่ายังเป็นเด็กเกินไปหรือเพราะเห็นว่ารู้แล้วจะมีโทษเช่นทำให้กลัวผีมากขึ้นทำให้กลัวความมืดกลัวสิ่งต่างๆโดยไม่มีเหตุผล หรือทำให้สร้างภาพอุปาทานขึ้นมาหลอกตัวเองดังนี้เป็นต้นข้าพเจ้าก็จะไม่พูดถึงเลยหรือคนใดทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาควรจะรู้เรื่องนี้แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเขามีพื้นไม่พอที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ถูกต้องเนื่องจากเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างแน่นแฟนเปลี่ยนไม่ได้ หรือเป็นเพราะเขามีความยึดมั่นแต่ในหลักวิชาที่เรียนมาไม่ยอมพิจารณาในแง่อืน่นหรือเป็นเพราะเขามีความรู้แคบไม่อาจจะใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะไม่ตอบหรือถ้าตอบก็จะตอบเรี่นไปเสียอย่างอื่นหรือไม่ก็ตอบอย่างยืนยันตรงตร ง, ตรงว่ามีหรือไม่มี แต่ถ้าผู้ถามอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ข้าพเจ้าก็จะตอบอย่างยืนยันทีเดียวว่าผีสางเทวดามีแน่ผู้ใดไม่เชื่อผู้นั้นเป็นมิจฉาชีิและพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าก็จะอ้างหลักฐานต่างๆมาที่บ่าให้ฟังอย่างยืดยาวทีเดียวบางคนที่เคยอ่านพระสูตรบางเรื่องที่แสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่ตรัสถึงปัญหาเรื่องนี้หรือที่แสดงว่าในเมื่อมีคนถามแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบหรือถ้าทรงตอบก็ตอบเลี่ยงไปอย่างอื่นเสียหรือไปอ่านบางเรื่องที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์เข้าแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมีเหตุผลไม่พออะไรทํานองนี้ หรือไปได้ยินท่านิสูผู้ทรงคุณวุฒิบางองค์ไม่ยืนยันในเรื่องเหล่านี้เมื่อถูกถามก็มักตอบเลี่ยงไปในทรรนองว่าไม่ควรจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติจะรู้ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนี้เป็นต้นก็มักจะทึกทักว่าเรื่องนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ตรัสถึงเรื่องนี้ แต่เท่าที่มีเรื่องอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะคนภายหลังเขียนขึ้นไว้และอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะคนในสมัยนั้นเขาเชื่อเรื่องผีสารเทวดากันนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาก็จำเป็นต้องเขียนเรื่องอย่างนี้ไว้บ้างและอื่นๆผู้ที่ศึกษามาแคบ และทึกทักเอาเช่นนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอเตือนว่าโปรดศึกษาเส้นใหม่และศึกษาให้ละเอียดว่าเพราะเหตุไรในพระสูตรบางเรื่องพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัดถึงเรื่องนี้และเพราะเหตุไรในพระสูตรบางเรื่องเช่นในอปันน ก, กสูตรหรือในมหาสีหานาถสูตรพระพุทธเจ้าจึงตรัดยืนยันถึงเรื่องนี้ และยังปรากฏว่าทั้งในพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมมีกล่าวถึงเรื่องนี้มากมายจนเป็นการยากที่จะปฏิเสธได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ตราตถึงเรื่องนี้และในเมื่อได้ศึกษาเรื่องนี้จากที่มาต่างๆโดยละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งทีเดียว ความเป็นจริงผู้ใดที่ได้ศึกษาในทางพระพุทธศาสนามาอย่างละเอียดและรอบครอบทุกคนจะยืนยันได้ว่าการที่จะปูพื้นฐานศีลธรรมให้แพร่หลายในสังคมจำเป็นจะต้องให้สังคมมีความเชื่อและเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องนี้เพราะกฎของกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คนจะเชื่อและเห็นจริงตามนี้ได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อต้องมีความเชื่อและเข้าใจถูกต้องในเรื่องสังสารวัตรคือการเยียนไหวาตายเกิดและการที่จะให้เชื่อว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วต้องเกิดอีกก็ต่อเมื่อยอมรับว่าผีและเทวดามีจริงพร้อมทั้งจะต้องศึกษาให้เข้าใจสภาพของชีวิต ในโรคของขีและเทวดาให้เข้าใจดีพอสมควรด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าจึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งได้ทำมาหลายปีแล้วในปัจจุบันข้าพเจ้ามีทางพอที่จะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ให้โลกรู้ได้บ้างโดยเฉพาะคือสามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นได้ว่า ชีวิตของพวกโอปปะปิกะนั้นมีแน่โดยส่วนตัวเรื่องผีและเทวดาไม่เป็นปัญหาสำหรับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มีแน่ข้าพเจ้าหมดข้อสงสัยก็เพราะข้าพเจ้ารู้ทั้งในทางหลังวิชาและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยอมรับว่า ยังมีความรู้น้อยในเรื่องเหล่านี้เพราะยังมีปัญหาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากที่ข้าพเจ้ายังให้คำตอบที่กระจ่างไม่ได้เวลานี้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้แน่จริงๆมีอย่างเดียวเท่านั้นคือรู้ว่าผีและเทวดามีจริงและพร้อมกันนี้ก็ได้มองเห็นรูปทางที่จะได้ประโยชน์ จากการค้นคว้าในเรื่องนี้หลายอย่างเช่นในเมื่อบุคคลในกลุ่มปัญญาชนยอมรับทฤษฎีของพระพุทธเจ้าในเรื่องกำเนิดสีโดยเฉพาะคือยอมรับว่าโอปะปะิกะมีจริงซึ่งหมายถึงยอมรับว่าผีราชวดามีจริงในไม่ช้าคนธรรมดาสามัญทั่วๆไป ซึงโดยปะกติก็มักจะเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเข้าใจกันอย่างแทร่หลายและในที่สุดคนทั้งหลายก็จะได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องลึกลับหยิบต่อไป 2. เมื่อยอมรับว่าโอปป้าจิกะมีจริงปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดก็จะเข้าใจกันได้ง่ายและยอมรับกันว่า คนที่ยังมีเกลยียดอยู่ตายแล้วจะต้องเกิดอีกแน่สามเมื่อยอมรับเรื่องการเวียน่หยตายเกิดแล้วคนทั้งหลายก็จะพากันเชื่อในเรื่องกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในเรื่องบุญและบาปยึดถือมาตรฐานในทางจิตใจเป็นเครื่องวัดว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่กล้าทำความชั่ว ไม่กล้าทาสิ่งที่จะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้ก็ตามแต่จะเกิดความรักแมอันที่จะทำความดีทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอจะเกิดความเมตตาปรานีต่อกันและกันเกิดความไว้วางใจกันและกันอย่างแพร่หลายด เมื่อคนทั้งหลายพากันเชื่อเรื่องกฎของกรรมดังที่กล่าวมาแพร่หลายแล้วก็เป็นอันว่าศีลธรรมได้มีรากอย่างลงในสังคมแล้วต่อจากนั้นสังคมก็จะเจริญก้าวหน้าในทางต่างๆอย่างเห็นได้ชัดเพราโดยธรรมดาคนที่เชื่อในกฎของกรรมศีลธรรมจะเกิดจากจิตใจของเขาเอง แม้ไม่มีใครคอยอบรมให้เกิดก็เกิดได้เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากเกิดแล้วก็ยองเจริญเติบโตได้เองฉะนั้น5เมื่อบุคคลส่วนมากในสังคมมีศีลธรรมเกิดจากใจของข้าเองคนเหล่านี้ก็จะรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง เขาจะรู้จักประมาณตนได้ดีว่าคนอย่างเขาควรจะมีควรจะได้อะไรแค่ไหนคนเหล่านี้จะมีความสามัคคีกันรักใคร่ปลองดองกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันและทั้งหมดจะเต็มใจร่วมมือกันผลิตสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและรู้จักการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมจริงๆ การเอารัดเอาเปรียบหรือการกินแรงกันในรูปต่างๆจะหมดไปจากสังคมทั้งจะมองเห็นว่าการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นนั้นที่แท้ก็เป็นการกระทำที่มีผลกำไรสำหรับตนเองอย่างมาก 6. เมื่อระบบศีลธรรมที่เกิดจากใจดังที่กล่าวมาแพร่หลายมากออกไปแล้ว ความไว้วางใจซึ่งกันและกันความซื่อสัตว์ต่อกันและกันความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลระหว่างสังคมต่อสังคมระหว่างประเทศต่อประเทศก็จะเจริญแพร่หลายและเมื่อโลกได้ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะทําให้ประเทศต่างๆมีการประหยัดเงินประหยัดแรงงาน และบุคคลที่จะต้องใช้ไปในการสงครามได้มากเพราะในเมื่อศิลธรรมระหว่างประเทศดีแล้วการสงครามก็จะมีความจำเป็นน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็หมดไปขอให้ท่านพิจา ร, รณาดูให้ดีการลงทุนเพื่อการสงครามนั้นไม่ว่าในรูปไหนไม่ใช่เป็นการลงทุนที่จำเป็น ในเมื่อโลกมีศีลธรรมเจริญดีแล้วราะมนุษย์ที่มีศีลธรรมสูงไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสินกรณีผูพาดหรือขจัดการขัดแย้งกันด้วยการสงครามการสงครามเท่าที่ยังจำเป็นอยู่ทุกวันนี้และประเทศทุกประเทศจำเป็นจะต้องสะสมอาวุธไว้ให้พร้อมก็เพราะศีลธรรมในโลกยังไม่เจริญพอ ฉะนั้นในเมื่อเรามีรูปทางที่จะทำให้ศีลธรรมเจริญขึ้นในโลกได้อย่างแพร่หลายเช่นนั้นเราจึงได้มองเห็นว่าโลกของเราในยกที่ศีลธรรมเฟื่องเช่นนั้นจะต้องเจริญและก้าวหน้ามากมายเพราะเงินที่จะใช้ในการสะสมอาวุธและในการตระเตรียมธรมสงคราม ซึ่งแต่ละประเทศลงทุนไม่น้อยนานเราก็ได้นํามาใช้ในทางที่จะพัฒนางานในด้านที่จะเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงตลอดทั้งงบประมาณที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเพื่อการป้องกันการทุจริตและการปราบปรามการทุจริตเช่นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย และของกระทรวงยุติธรรมนั้นก็จะค่อยๆถูกตัดออกแล้วเงินที่จะเหลือเกือและนำไปใช้ในทางอื่นได้มากเจ็ดในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าวันหนึ่งโลกจะก้าวขึ้นสู่ยุคของพระศรีอานในทางคริสต์ศาสนาก็เชื่อกันว่าวันหนึ่ง พระเจ้าจะจัดการล้างโลกแล้วทรงปกครองโลกด้วยพระองค์เองอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกนี้และจะมีอาณาจักรเดียวอาณาจักรอื่นๆพระเจ้าจะทรงทังลายหมดความเชื่อในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โลกยังไม่สายเกินไป ที่จะเลือกเดินในทางที่ถูกและดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้ข้าพเจ้าคิดว่าใครก็ตามถ้าได้ศึกษาเรื่องชีวิตของโอปปปติกาเข้าใจดีเหมือนกับที่พ้าพเจ้าเข้าใจอยู่เดี๋ยวนี้ทุกคนจะมองเห็นทางที่จะนำโลกไปสู่สันตินำโลกไปสู่อาณาจักรของพระสีอาน หรือเรียกในทางคริสตศาสนาว่าอาณาจักรของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อคิดสักอย่างงว่าศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนาล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีปัญญาสูงลึกซึ้งและบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสติปัญญาของบุคคลในสมัยนี้มากมายความเชื่อในทางศาสนาบางอย่างที่เราเห็นว่าเหลือเชื่อ หรือเป็นไปไม่ได้มีเหตุผลไม่พอนานอาจจะเป็นเพราะปัญญาของเราเข้าไม่ถึงหรือเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายที่แท้แห่งคำสอนของศาสดานานๆก็เป็นได้แตจากสติปัญญาของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในเวลานี้ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นความสว่างอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหน้ากล่าวคือ ศาสนาต่างๆโดยเฉพาะศาสนาใหญ่ๆที่มีคนนับถืออยู่ทั่วโลกมีทางที่จะรวมกันได้และเมื่อใดศาสนาต่างๆที่กล่าวนี้รวมกันได้แล้วศาสนาจะมีทธิพลเหนือจิตใจประชากรของโลกคำสอนในทางศาสนาจะเป็นเสมือนหนึ่งกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนทัโลกจะละเมิดได้ยากและทุกคนที่รู้กฎหมายนี้แล้วตัวเขาเองจะเป็นได้ทั้งโจรยจำเลยและตุลาการด้วยคนอื่นไม่จำเป็นต้องไปซักพอกเขาเพราะเขาจะรู้ได้ตัวของเขาเองว่าเมื่อเขาทำผิดแล้วเขาควรจะรับโทษอย่างไรและควรจะแก้ไขอย่างไรคุกตารางในสมัยนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมี การที่จะให้ศาสนาต่างๆรวมกันได้นั้นจะต้องใช้หลักการและวิธีการหลายอย่างแต่หลักการอันหนึ่งที่ควรจะรีบด่วนก็คือจะต้องรีบปูพื้นฐานให้โลกเข้าใจเรื่องโอปปะปิศาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะโลกกําลังก้าวไปสู่ทางสองแง่แล้วคือทางหนึ่ง โลกจะอยู่ต่อไปได้แล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งอีกทางหนึ่งโลกจะพินาษการเปิดเผยเรื่องโอปปะิกะให้โลกยอมรับว่าชีวิตโอปปะิกะในโลกนี้มีชีวิตโอปโโอปะปิกาเป็นชีวิตที่มีผลสืบเนื่องไปจากกรรมของคนในโลกนี้ด้วยวิธีนี้จะทำให้คนเกือบทั้งโลก หันมาสนใจเรื่องนี้ทันทีเสมือนหนึ่งมีแรงมหฮืมาดึงโลกที่กําลังหมุนไปทางหนึ่งให้กลับหมุนไปอีกทางหนึ่งได้ฉะนั้นและด้วยวิธีนี้เองจะสามารถยับยั้งความรุนแรงต่างๆที่มีอยู่เวลานี้ให้ลดลงได้เหตุผลทั้งแปดข้อที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นมานานแล้ว และเชื่อว่าเป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้ามองเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะพึงบกงเกิดขึ้นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงจะพยายามทุ่มเททุกอย่างพูดได้ว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่ทำอะไรเลยและไม่สนใจอะไรเลยนอกจากมุ่งหน้าที่จะคนคว้าเอาเรื่องโอปปะดีตามาเผยแพร่ให้โลกรู้ให้จงได้ อันหนึ่งเนื่องจากขณะนี้สามารถติดต่อกับวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้บางรายและติดต่อกับเทพเจ้าได้บางองค์การติดต่อโดยปกติได้ทําอยู่สองวิธีคือการเข้าทรงกับเข้าสมาธิไปติดต่อจากการติดต่อทั้งสองวิธีนี้ทําให้หวังได้ว่าต่อไป จะสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาการต่างๆทั้งที่ร่วมรับไปแล้วในี่นับเป็นร้อยรปีหรือเป็นพันพันปีได้และเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เพินตายไปในสมัยปัจจุบันนี้ให้มาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่ท่นานจานาให้เราฟังได้และสามารถที่จะเชิญผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยครั้งศตารรษ มาเล่าเรื่องในสมัยนั้นให้คนในสมัยปัจจุบันนี้ฟังได้โดยเฉพาะทริรยะบุคคลบางองค์ที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนี้มีชีวิตเป็นโอปปติกต์หรือเป็นเทวดาอยู่ให้มาอธิบายถึงพระลักษณะของพระพุทธเจ้าให้ช่างเขียนภาพที่เก่งจำงลองภาพออกมาได้ หรือเชิญโอปปติกะบางท่านที่ในอดีตเป็นช่างเขียนที่เงือเยี่ยมให้มาเข้าสรงแล้วเขียนภาพนั้นออกมาก็อาจจะทําได้เพราะเคยทดลองเรื่องนี้มาบ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์กล่าวคือได้เคยขอร้องให้เทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าให้ท่านนารมิตภาพพระพุทธเจ้า ท่านทำได้แต่ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพที่เห็นได้ในสมาธิเท่านั้นและผู้ที่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิสูงถึงขั้นเห็นโอปปปุกาได้ยิงจะเห็นภาพเนลามิดนั้นได้แต่เนื่องจากผู้ที่มีสมาธิถึงขั้นเห็นภาพเมลามิดได้นี้ไม่ใช่ช่างเขียนฉะนั้น ยังไม่อาจจำลองภาพนั้นออกมาได้ผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องเวญจขันและเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาแล้วทุกคนเข้าใจดีว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกซึ่งหมายความว่าความสุขความทุกข์ความจำความดีความชั่วความชำนาญความจัดเจ็นิสัยสันดานต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของวิญญาณเมื่อตายแล้ววิญญาณไปไปในส่วที่อีกสิ่งเหล่านี้ก็ติดตามไปด้วยผู้ที่เข้าใจหลักวิชาเหล่านี้ดีทุกคนจะไม่สงสัยในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวมาแล้วแต่ท่านครวรจะทราบไว้ด้วยว่าทุกคนที่ตายไปพวกที่ไปสู่ทุกกะฏ คือตายไปแล้วไปได้รับความลำบากต่างๆพวกเหล่านี้เราหวังผลในการติดต่อได้น้อยมากเพราะความลำบากหรือการทรมานต่างๆที่เขาได้รับนั้นทำให้เขาจำเหตุการณ์ในหุนหลังไม่ค่อยได้บางคนแม้จะเชิญมาได้แต่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้แม้กระทั่งพ่อแม่หรือผู้ที่ใกล้ชิดที่สุด เช่นสามีภรรยาหรือลูกก็จำไม่ได้ส่วนพวกที่ไปสู่สุคติคือตายไปแล้วสบายนั้นพวกนี้มีความจำดีระลึกเหตุการณ์ในหนหลังได้แม่นยำบางท่านที่เคยอ่านคำพีทางพระพุทธศาสนาเช่นคำพีธรรมบทหรือท่านถ้าได้อ่านนังสือการมนิษย์คงจะจำได้ว่า ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวด า, านั้นทุกองเราลุกชาติได้ฉงนั้นความหวังของเราที่จะให้คนที่ตายไปแล้วกลับมาเล่าเรื่องแนดีของเขาให้เราฟังตลอดทั้งขอให้มาช่วยแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ท่านมีความชานาญนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันไร้าสาระ ขอให้ท่านคิดดูบ้างว่าความฝันหลายอย่างของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งคนธรรมดาที่มีมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มักเียนว่าไร้สาระเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นไปได้กี่อย่างแล้วการที่ข้าพเจ้าเองกล้าพูดเช่นนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้รับประโยชน์หลายอย่างจากท่านที่ล่วงรับไปแล้ว โดยที่ท่านมาช่วยแนะนําบางอย่างให้แต่ไม่เคยบรนดาลอะไรให้ข้าพเจ้าอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันข้าพเจ้าได้รับเพียงสติปัญญาบางอย่างที่ท่านบอกให้เท่านั้นนอกจากนี้ไม่เคยได้รับอะไรเลยอันหนึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึง่งซึ่งอาจจะผิดในเรื่องเวลาที่กำหนดไว้ แต่เหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าไม่ผิดกล่าวคือข้าพเจ้าเชื่อว่าในช่วชีวิตของข้าพเจ้านี้เองข้าพเจ้าอาจจะได้เห็นแผ่นดินของโลกสวรรค์กับแผ่นดินของโลกมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พูดนี้หมายความว่าในชั่วชีวิตของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าจะได้เห็นมนุษย์กับเทวดาติดต่อกันง่ายๆเหมือนมนุษย์กับมนุษย์ติดต่อกันเพราะหลักวิชาและวิธีการที่จะสอนให้คนในสมัยปัจจุาบานันมีสมาธิสูงถึงขั้นติดต่อกับเทวดาได้นั้นไม่ยากถึงกับใครๆทั้งโลกนี้ทําไม่ได้นอกจากคนเพียงสองสาคนแต่ที่แท้ คนที่สามารถจะฝึกได้ถึงขั้นนี้มีผมไปเวลานี้ที่มีน้อยก็เพราะคนทั่วไปไม่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าเมื่อใดคนเกิดแตกตื่นในเรื่องนี้กันแล้วเราก็สามารถจะเลือกหาผู้ที่เหมาะสมในการฝึกได้มากทีเดียวและครั้นแล้ว ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ทั่วไปบางทีอาจจะฝึกได้ง่ายยิ่งกว่าจะผลิตนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญสำคัญของโลกจะด้วยจาไปการที่จะฝึกสมาธิให้ถึงขั้นติดต่อกับโอปปะปิกะได้นั้นข้าพเจ้าปรารถนาที่จะชี้แจงให้ทราบไว้ณนะที่นี้ด้วยว่า ความรู้ไม่สําคัญเท่ากับบารมีคนที่มีบารมีคือมีทุนในทางนี้มามากฝึกสําเร็จได้ง่ายและรวดเร็วส่วนคนที่มีความรู้ดีในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ง่ายเสมอไปในสมัยครั้งพุทธกาลก็ เ, เคยมีอาจารย์สามารถสอนลูกศิษย์ให้สําเร็จได้แต่ตนเองทําไม่ได้ เรื่องของจิตใจไม่เหมือนกับเรื่องของวัตถุเพราะจิตใจมีความประณีตและซับซ้อนมากเรื่องของจิตใจไม่ใช่จะปั้นเอาได้เหมือนกับวัตถุแต่สำหรับคนที่มีบา ร, รมีมาแล้วพอฝึกหัดให้ถูกวิธีเท่านั้นในไม่ช้าก็จะมีผลเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับต้นไม้ ซึ่งในเมื่อเราปลูกให้ถูกวิธีธรรมชาติของมันแล้วในไม่ช้ามันก็เกิดและเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาฉะนั้นปัญหาที่สำคัญในเวลานี้มีอยู่แต่เพียงว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้คนที่เหมาะสมในทางนี้มาฝึกกันมากๆปัญหาเรื่องการคัดนั้นไม่ยากเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามีวิธีทดสอบ ที่ได้ผลแน่นอนว่าใครจะฝึกได้หรือไม่ได้และการสอนก็ไม่ยากแต่ปัญหาสำคัญยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้ายังแก้ไม่จบ ก, ก็คือสถานที่ฝึกที่เหมาะสมจริงๆรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ในการฝึกและการสอนด้วยยังไม่มีสถานที่เท่าที่มีอยู่ในขณะ น, นี้แม้ว่าจะมีเครื่องปรับอากาศ มีเข้าอี้อย่างดีสำหรับนั่งฝึกและป้องกันเสียงภายนอกได้แต่ก็มีเพียงห้องเดียวไม่อาจจะแยกเป็นห้องๆเพื่อเหมาะสมแก่ผู้ที่จะเรียนและฝึกซึ่งมีความรู้แตกต่างกันได้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยู่เสมอว่าเมื่อไรหนอสถ า, านธรรมวิจัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจะมีห้องฝึกสมาธิที่เหมาะสมจริงๆการที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเผยแพร่ทั้งๆที่งนานในด้านนี้ของข้าพเจ้ายังไม่สมบูรณ์ความประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะขอความเห็นใจจากท่านที่ใจบุญและท่านที่มีบุญหนักสักใหญ่มั่งมีเป็นเศรษฐีได้ช่วยกันกรุณาเสียสละ สร้างสถานที่ฝึกสมาธิให้ได้มาตรฐานดังที่กล่าวมาถ้าหากความปรารถนาดีของข้าพเจ้าในเรื่องนี้จะบรรดาลให้ท่านทั้งหลายดังที่กล่าวเห็นใจและเห็นประโยชน์อันใหญ่หลวงที่จะพึงเกิดแก่โลกดังที่ข้าพเจ้าได้ชี้แจงมาแล้วข้าพเจ้าก็จะรู้สึกว่าในชั่วชีวิตของข้าพเจ้าที่ผ่านมา จะไม่มีครั้งใดเลยที่จะทําให้ข้าพเจ้าดีใจมากเหมือนในครั้งนี้เพราะท่าสถานที่ฝึกสมาธิที่ได้มาตรฐานดังที่ข้าพเจ้าได้วาดภาพไว้ได้อุบาทขึ้นในโลกในยุคนี้พร้อมทั้งมีท่านโู้หลักผู้ใหญ่และคนทั้งหลายเห็นดีเห็นชอบด้วยข้าพเจ้าก็กล่าวได้ทันทีว่า โลกกำลังจะก้าวขึ้นสู่ยุคใหม่แล้วคือยุควิญญาณยุควิญญาณเป็นรุ่งอรุณแห่งยุคของพระศรีอานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแผ่นดินของสวรรค์จะมาประดิษฐานอยู่ในโลกของมนุษย์เยชะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัย และเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกขอได้ช่วยบรรดาให้ท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เกิดดวงปัญญามองเห็นในสิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นนี้ด้วยเถิดอันหนึ่งข้าพเจ้าใครจะชี้แจงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบอีกอย่างหนึ่งเพื่อการความเข้าใจผิดเพราะจากถ้อยแถลงที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้อ่านบางท่านอาจเข้าใจว่าถ้าการสอนสมาธิมีวัตถุประสงค์หนักไปในเรื่องของโอปปะฏิกะดังที่กล่าวมาคนที่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกสมาธิในสถาบันแห่งนี้ก็จะมีเพียงไม่กี่คนเพราะข้าพเจ้าคงจะคัดเอาแต่ผู้ที่เหมาะสมในการฝึกเพื่อให้ติดต่อกับโอปปะฏิกะเท่านั้น แต่ความเป็นจริงการสอนสมาธิที่ดำเนินอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์กว้างมากและคนที่จะรับประโยชน์จากการฝึกก็มออีเป็นจำนวนมากส่วนการฝึกเพื่อที่จะให้ติดต่อกับโอปปะติกะได้นั้นเป็นงานเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การที่ขัปปเจ้าจําเป็นต้องเน้นในเรื่องนี้ขณะ น, นี้ก็เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายที่สําคัญส่วนหนึ่งว่าทําไมเราจึงจําเป็นต้องรีบค้นคว้าในเรื่องนี้ออกมาที่จริงการสอนสมาธิของแผนกธรรมวิจัยซึ่งเป็นงานาแผนกหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนาน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. เพื่อช่วยให้ผู้ที่ศึกษาธรรมได้เข้าถึงธรรมและได้รับรสจากธรรมตามสมควรแก่ตภาพของเขาโดยธรรมดาผู้ที่ศึกษาธรรมด้วยการฟังหรือด้วยการอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาด้วย ก็เป็นการยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจธรรมที่ตนได้ศึกษามาแล้วแจ้งแจ้งและความสงบเยือกเย็นซึ่งเป็นรสของธรรมก็ยากที่จะได้รับด้วยเหตุนี้ในสถาบันแห่งนี้จึงได้จัดให้มีการฝึกสมาธิควบคู่กันไปกับการศึกษาธรรม การสอนก็มีทั้งในทางสมถะและวิปัสนา 2. เพื่อกล่อมเกลายนนิสัยสันดานที่ไม่ดีให้ดีขึ้นและเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมในทางจิตผู้ที่ได้เรียนทำแม้จะรู้ทำเป็นอย่างดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยสันดานดีเสมอไป การรับประทานยาครั้งสองครั้งแม้ว่ายานานจะถูกกับโรคก็ไม่ใช่ว่าโรคนั้นจะต้องหายเสมอไปฉันใดคนที่เรียนทำขอให้ผ่านผ่านไปแม้ว่าจะจำได้แม่นยงมีคนถามก็ตอบได้โดยมากก็เหมือนกับผู้ที่รับประทานยาเพียงครั้งหรือสองครั้งกล่าวคือ ไม่ทำให้มิใสสันดานที่ไม่ดีหมดไปได้วิธีที่จะทำให้หายได้จริงๆงนั้นครั้งแรกจะต้องพยายามฝึกหัดให้มีสมาธิดีพอสมควรก่อนครั้นแล้วจะต้องนำทำที่ได้ศึกษามาดีแล้วนั้นมาพิจารณาด้วยใจที่เป็นสมาธิทั้งต้องทำเช่นนี้บ่อยๆ จนกว่ารถแห่งธรรมจะทราบซึ้งในจิตใจและธรรมที่จะนํามาพิจารณาก็จะต้องเลือกเว้นให้เหมาะแก่การที่จะแก้ยุสัสันดานนั้นๆยุสัยสันดา น, น, านดาที่ไม่ดีจึงจะหายและด้วยวิธีการเดียวกันนี้ก็จะเป็นการป้องกันความเสื่อมโทรมในทางจิตใจที่จะพึ้นเกิดขึ้นใดภายหลังอีกด้วย สามเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางจิตคนทุกวั น, นีีมักเป็นโรคประสาทกันมากเนื่องจากความหยิ่ค้าในเรื่องค่าครองชีพและจากปัญหาอื่นอ่อีกหลายอย่างความสงบสุขทางจิตใจก็ไม่คม่อยีอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคประสาทและทำให้ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ขาดความมั่นคงในชีวิตกระทบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ทนไม่ค่อยได้มักตัดสินใจผิดบ่อยๆเหตุการณ์ในทํานองนี้กําลังลุกลามแพร่หลายมากเป็นภัยต่อความมั่นคงองค์การอนามัยโลกถือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่จะต้องแก้ไขสําหรับการแก้ปัญหาในทํานองนี้ ทางศาสนาโดยเฉพาะคือพระพุทธศาสนาได้เข้าใจเรื่องนี้ดีมานานแล้วเพราะหลักธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาก็คือตัวยาสนหรับแก้ซึ่งเรียกว่าธรรมโอสดแต่การที่จะแก้ไขให้ได้ผลจริงๆ จ, จำเป็นจะต้องอาศัยกรรมวิธีทางสมาธิด้วยและผู้ที่จะให้ยา ก็จะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งในทางหลักธรรมและเรื่องของคนไข้ด้วยการสอนสมาธิในสถาบันแห่งนี้ได้ถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง 4. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนสมรรถภาพในการศึกษาและการทำงานคนที่จะเรียนหนังสือได้เก่งมีความจำดี เข้าใจอะไรได้ง่ายได้รวดเร็วคิดอะไรได้ว่องไวตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องนอกจากจะขึ้นอยู่กับสุขภาพทางกายดีสมองดีแล้วยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีสมาธิดีด้วยฉะนั้นคนไหนถ้าพื้นเดิมสมาธิไม่ดีเมื่อได้มีโอกาสฝึกสมาธิให้ดีแล้ว เขาย่อมจะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการเรียนและการทำงานให้ดีขึ้นได้ 5. เพื่อผลในทางอภินยาอภินยาแปลว่าความรู้ชั้นสูงมีอยู่หอยา่างคนที่สามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นเห็นโอปปติกาคือเห็นผีและเทวดาได้นานก็คือผู้ที่ได้พินยาขั้นหนึ่งของชุดพยะญาตสูตร พึงเข้าใจไว้ด้วยว่าทิพยจักสูตนั้นมีหลายขั้นคนที่ได้เวลานี้ได้เพียงขั้นแรกของทิพยจักสูตเท่นานั้นยังไม่ได้ทิพยจักสูตขั้นสมบูรณ์วัตถุประสงค์ต่างๆดังที่กล่าวมานี้ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าการสอนสมาธิของแผนกธรรมวิจัย ของมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นกว้างขวางเพียงไรและผู้ที่ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นั้นมีเป็นจำนวนมากส่วนผู้ที่จะฝึกมาได้ถึงขั้นอาพิงยามีเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าสำเร็จได้แม้เพียงคนสองคน ก็สามารถจะทำให้งานแผนกนี้ก้าวหน้าไปได้ไกลามากข้าพระเจ้าขอชี้แจงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบอีกครั้งว่านังสือเล่มนี้ที่จำเป็นต้องเขียนเสนอมาในรูปนี้ทั้งที่งานในส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งความเป็นจริงควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้อีกสักปีหรือสองปี เพื่องานค้นคว้าเรื่องโอปาปฏิกะสมบูรณ์เสียก่อนแล้วจึงค่อยเปิดเผยก็เพราะมีความจำเป็นในเรื่องสถานที่ท่าแนแอก ร, รมวิจัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยต้องการจะมีสถานที่ฝึกสมาธิที่สามารถจะแยกสอนเป็นห้องๆและแยกเป็นประเทประเทศเพื่องานในส่วนนี้ก้าวไปเร็วขึ้น